วัฒธมมหันตสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มากสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมียศใหญ่ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้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 ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมียศใหญ่ปฐม ม, ม, มหัตนสูตรที่สี่จบ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 นันทิยะสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะเรื่องเกิดขึ้นที่ครุมกบิลพัทพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับเจ้าสักยะพระนามว่านันทิยะผู้ประทับนั่งณที่สมควรว่ามหาปพิธอาริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแนนอนที่จะสาเร็จสมโพธิในวันข้างหน้า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 พัทยสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่าพัทยะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงก บ, บิลพัทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าสักยะพระนามว่าพัทยะผู้ประทับนั่งณที่สมควรว่ามหาบพิษอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิในวันข้างหน้า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 อังคสูตรว่าด้วยองค์เครื่องบรุโสดาภิกษุทั้งหลายองค์เครื่องบรุโสดาสี่ประการนี้องค์เครื่องบรุโสดาสีประการอะไรบ้างคือ 1. งสัปปุริสะสังเสวะการคบหาสัต ป, ปุรุษ 2. สัทธ ม, มัสสวาณะการฟังพระสัทธรรม 3. โยนิโสมนัิการการมนัิการโดยแยกคาย 4. ธรรมานุธรรมปฏิปฏิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้อังคสูตรที่10บจบสขาทกะปุญญาพิสันทวัคที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. ปฐมะอะภิสันทสูตร 2. ทุติยะอภิสันทสูตร 3. ตติยะอภิสันทสูตร 4. ี่ปฐมมัทนาสูตร 5. ทุติยะมัทนาสูตร 6. สุทธกะสูตร 7. นันทิยะสูตร 8. ภพัทธิยะสูตร 9. มหานามสูตร 10. อังคสูตร ศัสรปัญญวักหมวดว่าด้วยผู้มีปัญญาหนึ่งสคาธ ะ, ะสูตรว่าด้วยตรัสองคุณของพระโสดาบันที่มีคาถาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสาเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมสี่ประการอะไรบ้าง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 ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในครงสาวัตถีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถะเบนิกะเศรษฐีเข ค, ครงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาในครงสาวัตถีแล้วไปถึงกรุงกระบนลพัทโดยลำดับด้วยกรณียกิจบางอย่างพวกเจ้าสักยะผู้ครองกรุงกระบนลพัททรงสับข่าวว่า ภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีมาถึงกรุงกระเบลพัดแล้วจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ทรงอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ตรัสถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่มีพระโรคาพาตและมีพระพลานาหมแข็งแรงอยู่หรือภิกษุนั้นถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาปิฏ พระผู้มีพระภาคไม่มีพระโรคาพาธและมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือมหาปพิธแม้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่มีโรคาพาธ และมีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือมหาปภิธแม้ภิกษุสงฆ์ก็ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญระหว่างพันศานี้อะไรอะไรที่ท่านได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือมหาปพิธอาตามภาพได้ฟังมาได้รับเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยที่แท้ภิกษุผู้เป็นโอปปาติกะจากนิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเพราะโอรัมพาคิยะสังโยตสังโยตเบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปมีจานวนมากกว่าอีกเรื่องหนึ่ง ที่อัตมาภาพได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโอปปปาติกะเพราะโอรัมภคยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจากนิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกมีจำนวนน้อยที่แท้ภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปและเพราะบันเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบาง มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้มีจำนวนมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งอาตมาภาพได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น ก็จกทำที่สุดแห่งทุกได้มีจํานวนน้อยกว่าที่แท้ภิกษุผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปมีจํานวนมากกว่าวัดสังวุฒธสธูตรที่สองจบ สธรรมทินนสูตรว่าด้วยธรรมทินนอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสศปตนะมฤกรทายวันเคครุงพาราณสีครั้งนั้นธรรมทินนอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสกห้าร้อยคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทโปรดพร่ำสอนสิ่งนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมทินนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพระสูตรเหล่าใดที่พระตถาคตตรัสแล้วลึกซึง้งมีเนื้อความลุ่มลึกเป็นโลกุตระ ประกอบด้วยความว่างเราจะเข้าถึงพระสูตรเหล่านั้นตลอดการอยู่ธรรมทินนะท่านทั้งหลายพึงสำเนียออย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังอยู่ครองเรือนนอนเบียเศษบุตรใช้สอยผงแก่นจันทร์จากแควนกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินจะเข้าถึงพระสูตที่พระตถาคตตรัสแล้ว ลึกซึ้งมีเนื้อความลุ่มลึกเป็นโล ก, กุตระประกอบด้วยความว่างตลอดการอยู่นั้นมิใช่ทำได้ง่ายขอพระผู้มีพระภาคโปรสแสดงธรรมอันยิ่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในสิกขาบททั้งห้าเถิดธรรมทินนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายหนึ่ง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 ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิธรรมทินนะท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วธรรมคือองค์เครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นชัดธรรมเหล่านั้นเพราะข้าพระองค์ทั้งหลาย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 ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิธรรมทินะเป็นลาบของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ดีแล้วโสดาปฏิผลท่านทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วธรรมทินะสูตรที่สจบ สีขิลานสูตรว่าด้วยอุบาสกป่วยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขครงกระเบลพัดแควนสักกะสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาค้ดยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสําเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จะเสด็จจาริกไป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 2. มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ม, มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. มีศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิมหาปพิษอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกขเป็นไข้หนัก ด้วยทมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านผู้นิระทุกผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยมารดาบิดาก็จะตายเหมือนกัน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 อุบาสกนั้นพ hm ึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใยการมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยการมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านกามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าและประนีกว่าการอันเป็นของมนุษย์เอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้ว น้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านหมู่เทพชั้นเดวดึงยังดีกว่าและประณีกว่าหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชเอาเถิด ขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมหาราช แ, แล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดาวเดืองเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดาวเดืองแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าหมู่เทพชั้นยามายังดีกว่าและประณีกว่าหมู่เทพชั้นดาวดึองและถึงหมู่เทพชั้นดุสิต หมู่เทพชั้นนิมมาณรดีหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีพรหมโลกยังดีกว่าและประณีกว่าหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตดีแล้ว ผมน้อมจิตไปในพรมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านแม้พรโมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับเนื่องด้วยสักกายะเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากพรมโลกแล้วนําจิตเข้าไปในสักกายะนิโรธความดับกายของตนเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากพรมโลกแล้ว ผมนำจิตเข้าไปในสักกายานิโรอยู่แล้วมหาบาพิษอุบาสกผู้มีจิตหลุดพน้นอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพน้นจากอาสวะอาตมาภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างอะไรกันเลยคือหลุดพน้นด้วยวิมุตติเหมือนกันที่ลานสูตรที่สจบ โสดาปฏิพน ล, ละสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. สั่ปุริสสะสังเสวะการคบหาส ป, ปุรุษ 2. สัตธรรมมัสวนะะการฟังพระสัทธรรม 3. โยนิสโสมนัสการการมนัสการโดยแยกคาย 4. ่ธ ร, รมานุธรรมปฏิปฏิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายทำ4ประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลโสดาปฏิผลละสูตรที่5จบ 6. สกทาคามิผลละสูตร ว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลทำสี่ประการอะไรบ้างละถึงย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลสกทาคามิผลละสูตรที่หจบ7 อ, อนาคามิผลลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลละถึงย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลอนาคามิผลลสูตรที่7จ็จบ 8. ปดอรหัตผลลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผลละถึงย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผล อระหันตผ ล, ลสูตรที่8จบ 9. ปัญญาปฏิลาภสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาละถึงย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาปัญญาปฏิลาภสูตรที่9จบ 10. ปัญญาวุติสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาละถึง ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาปัญญาวุธิสูตรที่10บจบ11ปัญญาเวปุลละสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อความภัยบูนแห่งปัญญาละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบู์แห่งปัญญาปัญญาเวปุลละสูตรที่11บิบเอ็ดจบซาปัญญาวักที่6จบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. น่สคาทกะสูตร 2. วั ส, สังวัถสูตร 3. ธรรมทิ น, นะสูตร 4. ี่ขีลา น, นะสูตร 5. โซตาปฏิผลละสูตร 6. สกะาทาคามิผ ล, ละสูตร 7. จ็อนาคามิผ ล, ละสูตร 8. ปดอะรหัตผลละสูตร 9. ปัญญาปฏิลาพะสูตร 10. ปัญญาวุธิสูตร 11. ปัญญาเวปุลละสูตรเจ็ดมหาปัญญวักหมวดว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากหนึ่งมหาปัญญาสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญามากทำสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสปุริสัสังเสวะสอง สามสนะ 3. โยนิสมนัสการ 4. ธรรมานุธรรมปฏิปฏิภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญามากมหาปัญญาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปุถุปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่น ละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่นปุถุปัญญาสูตรที่สองจบ '3. วิปุละปัญญาสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพ่บูนละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพ่บู์วิปุละปัญญาสูตรที่สจบ 4. คัมภีระปัญญาสูตรว่าด้วย คำที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้งและถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้งคัมภีระปัญญาสูตรที่สจบ 5. ้าอปมัตตปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาณมิได้และถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาณมิได้อปมัตตปัญญาสูตรที่หจบ หกภูริปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุดแผ่นดินและถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุดแผ่นดินภูริปัญญาสูตรที่หจบเจ็ดปัญญาพาหุละสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลายและถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลาย ปัญญาพาหุละสูตรที่เจดจบ8สีคะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็วและถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็วสีคะปัญญาสูตรที่8ดจบ9ละหุปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลันและถึง ย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลันละหุปัญญาสูตรที่เกาจบ 10. หาสปัญญาสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริงละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริงหาสปัญญาสูตรที่สิบจบ 11. อชวนะปัญญาสูตร ว, ว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไปและถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไปชาวนะปัญญาสูตรที่1ิจบ12อติกะปัญญาสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญากล้าละถึงย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญากล้าติกะปัญญาสูตรที่12จบ13า นิเพทิกะปัญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาชั้แรกกิเลสภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาชั้แรกกิเลสธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ส ป, ปุริสสะสังเสวะ 2. สัทธรรมมาสวรนณะ 3. โยนิสงมนาสการ 4. ธรรมมนุธรรมปฏิปติภิกษุทั้งหลายทำสประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลสนิเพธิกะปัญญาสูตรที่13จบมหาปัญญวักที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. มหาปัญญาสูตร 2. ปุถุปัญญาสูตร สวิปุละปัญญาสูตร 4. ีคัมพีระปัญญาสูตร 5. อัอปมัตตปัญญาสูตร 6. ภูริปัญญาสูตร 7. ปัญญาภาหุละสูตร 8. สีขะปัญญาสูตร 9. ลหุปัญญาสูตร 10. หาสปัญญาสูตร 11. ชาวณปัญญาสูตร 12. ติกขปัญญาสูตร13นิเพธิกขปัญญาสูตรโซตาปฏิสังยุตที่11จบ